และในข้าพเจ้าเมื่อหนูกลับนำมัชการปองท่านแล้วหนู็ได้ฐานถามขอคท่านว่าวันนี้พระองค์มีทรมอะไรที่จะสอนหนูและให้หนูนำไปเผยแท่ให้กับทุกคนที่มีความปรฒ น, นาที่จะฟังหาองค์ท่านก็บอกหนูว่า ให้หนุนจแน่ความทุกข์ในร่างกายของมนุษย์ก็มีความทุกข์ทั้งหมดที่แบบและคนจะแก้ไข ย, ยังไงบ้างพระองค์ท่านบอกหนุนว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่เกดิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่เราสามารถที่จะแก้ไขแล้วอัศจายมันได้ทุกที่หนึ่ง คือทุกจากการกินในแต่ละวันเราต้องเป็นทุกเพราะการธรรมหากินไม่ว่าจะาเท่าไหร่ก็ไม่พอกินในแต่ละวันเรากินอาหารเข้าไปเยอะมากและยังต้องตามใจกิเลสที่เกิดขึ้นอีกอยู่ก็เป็นทุกกิ่มากไปก็เป็นทุกินไม่ได้ร่างกายผอม โอมก็เป็นทุกข์และกินเยอะไปรางกายอ้วนก็เป็นทุกข์และบางครั้งบางคนรอดอยากจะกินจึงต้องสร้างกรรมสร้างวิบากเหยียดเบียนผู้อื่นเช่นข้าพาเพื่อให้ได้กินต้องไปขโมยหรือทําอาชีพที่ไม่ถุจริตเพื่อให้ได้กินของดีๆทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เล่า เป็นทุกเพราะการกินเพราะองคท่านบอกหนูว่าให้เราพิจารณาตามแล้วค่อยๆ เ, เปลี่ยนในิสัยในการกินตามนี้ดูให้เรารู้จักในการพอประมาณในการกินหากมีอะไรก็กินอ น, นั้นไม่ต้องพยายามหาสิ่งของของกินที่ทำให้เราพอใจแต่ปรับสร้างความดื ใาวคืนแก่นมีเงินก้มน้อยแต่ต้องกินของแพงแพงกลอ้ ว, วนแต่กินสิ่งที่ชอบแบบไม่มีจานวนจำกัดและยังต้องมีโรคไตเดียดเบียนตามมาอีกด้วยให้พยายามแต่นิสัยแช่นหาวดาวคืนมากก็ให้กินน้อยลงหากชอบกินของแพงแพง ก็ให้กินแต่พอประมาณที่เรามีอยู่ตามแต่ตามผดใจอย่าให้เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราจะถูกเป็นธาดของมันแต่ไม่รู้ตัวนะคะให้ทำแบบนี้ค่คอยๆทาภายในที่สุดเราก็ะจะเอาสมมันได้และไม่ต้องถูกเป็นธาตของมันอีกไม่ต้องทุกขเพราะการกินอีกต่อไปไ ที่สองคือการกลัวความแก่มนุษย์เราทุกคนมันกจะกลัวกับความแก่เมื่อแก่ตัวลงความไม่สบายความไม่สวยไม่งามก็มาเยือนในยังจะเป็นโลกขี่น้อยใจคิดมากกลัวลูกหลานจะไม่รักและกลัวจะลังเกียจ ต, ตนที่บนจู้ที้ เราเป่นหวนลูกหลานเลยกลายเป็นช่วงชีวิตที่มันยากและทุกข์มากในตอนแก่เพราะอ้นท่นบอกหนูว่าอย่าโมโแต่กลัวมันเลยให้ทำใจยอมรับความจริงมองให้เห็นทุกสิ่งให้เป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติทำบุญเถือสิ่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระ ทำเจิตให้ชื่นบานหากคนแก่ที่มีแต่บุญอยู่ในจิตใจกายภายในก็จะเปลี่ยนกายภายนอกให้เป็นคนที่น่าอยู่ใกล้ใครเห็นก็อยากจะช่วยเหลือขอพรและอยากจะทำบุญด้วยหากเรากลัวและไม่ยอมรับความจริงก็เหมือนคนดือน้อ ก็ไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากทำดีด้วยก็จะเป็นเหมือนคนน่ารังเกียจไปจริงๆการที่จะเอาชนะความแก่ได้ก็คือการทำใจ ย, ยอมรับมองให้เห็นความเป็นจริงความเป็นธรรมดาทำบุญทำสิตใจให้เบิกบานและปล่อยวางในที่สุด เราก็จะเอาชนะมันไม่ต้องจบเป็นทาสของมันความทุกข์ที่ถามคือความตายมนุษย์เราสิ่งที่เกลือที่สุดก็คือความตายแต่ส่วนมา ก, กมักจะมองข้ามแล้วลืมความตายอยู่เสมอเวลานั้นมาถึงก็จะไม่มีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็มักจะร้องขอชีวิต แต่ไม่ว่าจะร้องขอเช่นไงท้าที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีเป็นตามธรรมชาติเ่าเป็นแบบนี้พระองค์ท่านจึงบอกหนูว่าให้เราปัชนาหากเราปรัถนาที่จะหลุดพ้นจากการกลัวตายในแต่ละวันให้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าจากวันหนึ่ง ฉันต้องตาแทนหน้าแท้แตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันทำความดีทำบุญทำทานไว้มากแล้วหรือยังได้ตอบแทนผู้มีพระคุณปิดามารดาและผู้มีคนกับเราไว้แล้วบ้างหรือยังแล้วได้สร้างบาปอะไรไว้หรือเปล่าหากเราได้สร้างกรรมเหลือบาป ไว้กับสิ่งใดก็ให้รีบแค่ไขก่อนที่จะไม่มีเวลาให้รีบสร้างเสริมบุญบารมีไปลบล้างและขอขมาคำให้หลุดก่อนที่ชีวิตเราจะสิ้นลงไปแล้วก็มองดูความดีว่ามันยังน้อยคนบานหรือเปล่บบาและจะทำบุญทำความดีอะไร มาสร้างสมเพิ่มห้ได้มากที่สุดเพราะอย่าลืมว่ากุญกุศลคนงามความดีเป็นสิ่งที่จะพาดวงจิตของเราผจูรที่ที่ชุงกว่าที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนแบบจะเหมือนการเกิดการเก็บหรือสะสมเงินทองข้าวของที่มนุษย์เรา อัทนที่จเก็บไวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราก็ลองมาเก็บจสกสมบุญกุศลคนงามความดีแบบนั้นบ้างสิคะสะสมให้ได้มกักมากเท่าที่ปัสสัตยได้เส้นเดียวกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าการจัดสะสมง้นทองไวม้มากๆ เกินความจำเป็นจะทำให้เราติดอยู่และเราก็จะตกอยู่กับความทุกข์และเราสะยังติดอยู่ในวัฏฏะโชมชานต้องวนเวียนอาแล้วเกิดก่อแล้วตายอยู่เย็นนี้ไม่มีวันหลุดพ้นกานจากการสร้างสมบูรณ์นั้นหากยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้น และยังนำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำผูวังแม้ตแต่ยังมีชีวิตอยู่จนชีวิตหลังความอายก็สามารระสูตที่ที่ดีกว่าเป็นหน้าแท้และก็สะลุดพ้นจากความทุกข์ได้แม้วามตายก็สมีความาอรู้อยู่แล้วว่าตนผ่านไปก็จะต้องประสูติที่ที่ดีกว่า ที่เป็นอยู่หน้านอดให้เราสำนึกยศเสมอว่าการเกิดมาครั้งนี้ของเราขาดทุนหรือเปล่าการเกิดของมนุษย์ก็เหมือนการมาลงทุนหากเราสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลทำให้โดนจิตประสยชิที่ทีู่งขวานหรืนดีขวานน้ถือว่าเป็นผู้มีกำไรในการมาเกิดแต่ถ้าเราเกิดมาแล้ว ไม่ลดขั้นในการเกิดสร้างแต่บาป ท, ทาแต่ความเชื่อเราก็จะตกเป็นผู้ขาดดุลในการเกิดการเกิดมาของมนุษย์มีค่ามากแต่จะไม่มีค่าอะไรเลยหากตกเป็นคนขาดดุลในการเกิดเปรียบเหมือนชิงของที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วก็กลายเป็นของไร้ค่าก็ ต้องถูกทิ้งลงทังขยะในที่สุด